เห็นกิเลสตั้งไหมจากอเจอพอได้สังเกตคิดว่าเว่เดินมันมีร้ือัที่บอรู้ในลดให้ดูเห็นไหม่รู้สึกไหมใจเราไม่เป็นติเราไปสัารวมมากกว่าปกติเินไม่ต้องสํารวมเดินใปแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไง อย่าไปดัดแปลงเลยเมื่อกี้มันดัดแปลงหรือออกไหมทําให้สึ่งไม่นิ่หนึงถ้าลองเดินนี่นี่โต๊ะโต๊ะใหญ่อีกแล้วสุดไหมใจขณะนี้ไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้เดินตรงนี้ปกติพอเริ่มเดินไม่ปกติอยากเดินอีกแล้วอีก้วเล็กสุดไหมใจเราไม่ธรรมดาและวไปกลับไปนั่งกัน เตื่องเนี้ยงเ่ไปแค่เนี้ยงแล้วก็รู้สึกเตื่องเนี้ยงไม่ใช่เดินทำไปเรียบร้อยทํำไปเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงเหลอแล้วรู้สึกไหมแต่เราลงไปนั่งเราลืมตัวเราเองวลาใครรู้สึกบ่อยๆเผลอก็ได้นะแต่อยากเหลอนานเผลอก็ได้มันจะเผลอไปก่อนนะแล้วก็รู้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 ไม่ใช่พึ่งทางสิ่งภายนอกนะเอวไายินโพรอะไรไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยความรู้สึกศาสนาพุทธนี้ให้เกียรติกับมนุษย์ที่สุดให้เราพึ่งเคยมาวันเดียวเรียนได้ขนาดนี้เก่งนะมีบุญหรือเอออีกแล้วรู้สึกไหมใจขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกไหมตรงใจตั้งไหนะนะเกียรนี้ก็เรียกว่าลงเลยลงอธิปัตย์ หลงมีสองนั้นหลงไปเลยดึงเนื้อลื ม, ลมตัวเป็นหลงปฏิบัติที่จงใจปฏิบัติแล้วไม่ทันรู้ทั น, ท น, ทนวน่ากำลังหลงใจยู่เลี้ยงหลงมีเด็กคนหนึ่งสิบเอ็ดกลุ่มนะมันนิยามของความทีม่ไปใจเราไปจงใจทําอะไรปางอย่างแล้่งๆไว้มันนิยามบอกว่าเหลอแบบมีปัญญาเ <c oughs> <c oughs> หลอเหมือนกันนะแต่มีปัญญาฉลาดรู้จักไปปกครกองไว้แล้วจะมีความสุข แต่หลงเหมือนกันตอนนี้หลงไหมเมื่อกี้กนี่กำลังไปคิดอยู่รู้สึกไหมเออตรงที่คิดเนี่ยขนาดใจที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะขนาดนั้นเราจะลืมกายลืมใจขนาดนั้นไม่พอนะหลง น, ะนิยามคําว่าหลงของพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าหลงไปนานๆเมื่อไรที่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจหลวงพ่อเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยแล้วอย่างนั้นตอเนี้ตอนที่ยื่นไลยปวดๆจิตมันแนบเลยครการเคลื่อนไหว มันหลงเพ่งเข้าไปในกายที่เคลื่อนไหวนะมัหลงเหมือนกันนะแต่หลงเพ่งถ้าลงไปคิดเรื่อยหลงเฉลือไปค่อยๆเดียนนะนนดีแล้นเราจะศึกษาเรื่องตัวเราเองในที่สุดเราจะสามารถอยู่บโลกได้อย่างมีความสุขเลยถ้าเราต้องการมากคว่นิพพานเราก็ออกจากโลกได้อย่างสบายไม่ใช่ค่ายแพ้ยับเยินแล้วก็หนีออกจากโลกไม่ใช่นะ เอเกลืนหรือว่ากลงืงไปได้อย่างเนี้เรือว่าหลงนะแค่นี้หลงเขาเขาเรียกว่าหล ง, นะลหลงนะดีแล้วที่ทำยืนไปได้ละเพราะว่าเวลาเกรงขึ้นมาเราก็รู้ทันรู้สึกไหมใจเราค่อยๆตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาใจเราตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วหลวมไหมได้ดีแล้วไปาด้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทําอะไรเรียกว่าหลงไปคิดหลงไปคิด ขณะที่นึกถึงคาพูดหลวงพ่อลืมกายลืมใจไปเล็ไปะเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจนะเมื่อนั้นหลงไปไมไเมื่อไหร่เพ่งกายเ้่งใจแล้วหลงเพ่งเลี้ยงใจลอยไปละมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมไม่มีกสส็ส่งตอบเลอบ่อยดีอย่าเลื่อนานนานไหมเลอบ่อยเลอบ่อยดีรี่งเลื่อได้ชั่วโมงละร้อยครั้งขึ้นไปนะดีนะ เลยใถ้าได้ชั่วโมงหนึ่งร้อยครั้งขึ้นไปยิ่งดีใ น, น, น, นก็ทักผ่อนล้างมีแรงแล้วก็มาดูใหม่<อ>กรรมฐ า, านไม่เป็นงานที่ไม่รีบร้อนนะเบอร์สี่ทำไวนะ้นะเบอร์สี่เบอหนึง่งคุณก่อพี่พุ่มเจออกจากโลกมาละจะรีบจะเปลี่ยนนะ้วอย่างจี๋อย่างไรพวกนี้กรรมฐ า, านไม่ใช่งานที่จะรีบๆทําให้เสร็จๆไป ต้องตั้งใจไวนะ้นะกรรมฐานเป็นงานที่เรา ท, าทํากันทั้งชีวิตเลยเราจะปฏิบัติทั้งชีวิตสามารถทำไมให้ทำทั้งชีวิตเย่ยไม่ต้องรีบร้อนเนี่แค่เรามีสติก็มีความสุขล้วมันจะเดือดร้อนอะไรนักหนามีสติก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆส่วนคุณธรรมเบื้องสูงทั้งหลายก็ตามมาเองแหละถ้ามันยังไม่เกิดมันก็ไม่รีบร้อนนะมีสติอยู่กับปัจจุบันก็มีความสุขไปเรื่อยๆ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 นี่อาจารเจอจะมาใหม่ๆนะบอกเลยว่าจะต้องสามเดือนจะต้องได้โสดานี่เกือบสามสิบปีแล้วนะยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้อ่ะก็รีบรีบร้บรบรอนๆจะทำนะคนเรานะลงรีบทำงานนะรุยๆุๆรุยไปมันมีแรงทำได้แต่เดี๋ยวเดียวแต่ถ้าเราทำของเราไปเรื่อยๆนะเหนื่อยเราก็หยุดพักหยุดพักไม่ใช่ไปพักอย่างโลภกนะ พักอยู่กับการทําความสงบใจไหว้พระสวดมนต์อะไรเ ง, งี้ยหรือมาฟังเทศฟังธรรมบ้างให้จิตใจมีความสุขได้พักผ่อนแะล้วมีความสุขขึ้นมาแล้วมาดูใหม่ม่คอยรู้กายมาค่อยรู้ใจรู้ไปทั้งชีวิตแหละถ้าตั้งใจว่าเราจะรู้ไปเรื่อยๆเนะี่ยเส้นทางเดินมันจะสั้นมากแต่ถ้าคิดว่าจะเอาให้ได้นะยาวไม่มีที่สิ้นสุดเลยการปฏิบัติไม่ใช้ปฏิบัติตเพื่อจะเอาแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นเอง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 แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราหลงตามโลกไปชีวิตจะรุ่มรุ่มดอนอความทุกข์เปลียนแทงอยูทุกวันทุกวันไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นการปฏิบัติไม่ต้องรีบร้อนทําำมาทั้งชาตินี่แหละนี่ไม่ใช่หลว ง, ง, นะงพ่อผู้เด็กนะหลวงปู่เทศสถีสอนอการเคปฏิบัตินะั้นไม่ต้องรีบร้อนนะแต่ไม่ขี้เกียจ น, นะไม่รีบร้อนเพราเราทํากันทั้งชีวิตเมื่อก่อนเทศเรื่องนี้แล้วมีคนจําไป บ, บอกหลวงพ่อมณฑล รผมก็โประโมทกับการปฏิบัติทั้งทำทั้งชีวิตทั้งตกเก็บมันต้องอย่างนี้สิถ้าจะรีบๆร้อนๆแล้วกล่าวว่าเท่านี้จะบรรลุเท่านี้จะบรรลุไม่บรรลุหรอกเพราะอะไรใจไม่เป็นกลางใจปลุกแต่กิเลสครอบงำหเพราะงั้นทุกวันนะเราก็คอยรู้ไปดูใจของเรารู้บ้างเผลอบ้างไม่ว่ามันนะไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะเพรเผลอก็เป็นความจริงของเราใจมันยังเผลอนี่เผลอก็เป็นความจริงแะ ก็เสือแล้วก็รู้เอาเสือแล้วก็รู้เอาวันหนึ่งเนี้ยเสือได้หลายพันสังยิ่งเยอะยิ่งดีนนคือธรรมจาเ น, นี้ยเขจิตเนี้ยนะมันรู้อารมณ์ได้ตั้งละอย่างเดียวจิตเนี้ยมารู้อารมณ์ได้ตั้งละอย่างเดียวในขณะนั้นถ้ามันไปดูอย่างอื่นเช่นมันมาดูจิตอยู่เนี่ยการกระทบทางกายเนะี้ยไม่ชัดเจน เป็นปกติเป็นอย่างนั้นแหละมันอย่างเวลานั่งฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมเห็นหน้าสมมาไม่ชัดรู้สึกไหมเห็นแต่ไม่ชัดโดกไหมเนี่ยปฏิหารนะไม่มีใครเห็นหน้าสมมาชาัดหรอกเห็นได้ชั่วขณะจิตเท่านั้นเลยเด็กก็เลือนๆไปแล้วนะไปดูหมาก็จะรู้ว่าหมาก็ทําปฏิหารอย่างนี้ได้คือจริงๆแล้วจิตเนี่ยรับอารมณ์ได้ตั้งแต่อย่างเดียว เพราะงนนั้นทัศน์ขณะนั้นเรามาดูกายอยู่ใจใเราอยู่เนียมือไปกระทบเลยเนี่ยเราไม่รู้เียนร้อนอ่อนแข็งเลยอันนั้นเป็นปฏิจิตนะหรืออย่างบางคนไปทําฟันเดี่ยวหมอโดยชาไปทําฟันอไปทําฟันเนี่ยจิตมันมาดูผันห้านี่กระจายไปมันไม่นสนใจเรื่องเจ็บปวดแล้วนะหรือเวลาเราทําฟันนะโอ้มันเจ็บมากบาดเสียวนะเอจิตไปไว้ที่หัวไม่เท้าไม่เสียวแล้ว ว่าจิตนี้รู้อารมณ์ได้ครั้งไดอย่างเดียวดีแล้วที่เห็นว่ามันชัดบ้างไม่ชัดบ้างอย่าไปอยากให้ชัดชัดนะรู้ไปเท่าที่เเป็นเวลเป็นเอเออย่าตกใจตกยิ่งเวลากะละมังร้อนๆอย่าไปทําความรู้สึกว่าไม่ไ ม, ไมีไม่ร้อนนะเออ ถ้าอยเอออย่าไปอย่าไปลอง น, น้ร้อน้าเ็ระวังนแรังไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวมันรั่วออกต้องมีสติมีปัญญานะอย่างเราทาใจของเรานิ่งเลยจับน้าร้อนก็จับได้นะแต่มือค่องแล้วก็ไปจับมันทาไมเราก็ไม่จับมันปนนเยรอัเป็ น, ปนยมนมนน้มันไมัไ่ได้ไงมันไขก็ดีแล้ว ต่อไปเนี่ยใจจะถอยออกจากโลกเลยอารมณ์ทั้งหลายเหมือนอยู่ข้างนอกนู่นความตุกความทุกข์มันอยู่ไกลๆกูทนกูทนเหมือนอยู่ไกลๆเย็นร้อนอดแข็งอยู่ห่างๆไม่ใช่แต่เป็นตั้งมั่นขึ้นแล้วเสถียรมันก็เข้าไปรวมกันเดี๋ยวมันก็แยกกันเห็นไหมมันจะรวมมันก็รวมเข้าไปเองมันจะแยกมันจะแยกของมันเองรู้ออกไหมใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา มันทํางานของมันเองนี่เรารู้เป็นเรู้สภาวะเรื่อยในที่สุดปัญญามันแจ้งจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันทํางานเองมันจะไหลเข้าไปเกาะมันก็ไปนะมันจะแยกมันก็แยกเองนะเกี่ยวก็ได้ถ้าเผลอไปมันก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่กาลังทําอยู่แต่ทั้งๆที่รู้เนี่ยบางทีจิตมันถอยออกมาก็ได้มีหลายแบบเั้าเืสิบเอ็ด มาจากไหนกักนเด็กๆสามคนเนี้ยเคยฝึกมาจากไหน <c oughs> ไปเรียนที่ไหนเรี่ยที่โลกมันโลกมาเยอะแลบวนันกันเป็นโลกั้นก็มาอนาปนสติกเป็นกรมฐานที่ทายากมากเวลาทำแล้วมักจะหลงไปเป็นสมถันง่าย งานพานาสติเป็นการฝึกที่ละเอียดเวลาเราไปรู้ลมหายใจนะใจไม่จะไหลไก็ไปเกาะนิ่งๆอยู่บลมหายใจนี่นเวลาเราทำงานพานัสสติใจิตใจพิกแปงได้หลายแบบเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ใจลอยไปเคยเป็นไหมง่ายอย่างนี้ขาดสติไปแล้วไม่มีสติเลยไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งเรารู้อยู่ที่ลมหายใจนะจิตเราแนบไปไว้ที่ลมหายใจ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 ไม่เหมือนกับการเข้าไปเกาะที่ลมนะัะเกาะที่ลมเป็นสมถะถ้าเห็นร่างกายหายใจแล้วใจเป็นแค่คนดู อ, อันนี้จะทํางนิปัสนนามรู ก, กายอีกอันหนึง่งหายใจไปแล้วจิตใจก็พุ่งต้านไปรู้ว่าพุ่งต้านจิตสงบรู้ว่าสงบจิตเป็นสุบรู้ว่าสุขจิตเป็นทุกรู้ว่าทุกข์นีหายใจแล้วมาดูจิตเพราะฉะนั้นอนาคตสติจะพลิกแปลงได้เยอะแยะเลยในแต่ลักษณะแต่ละขณะบางทีก็เป็นสมถะบางทีก็เป็นนิพพสนาที่หลงไป ไม่มีสัมปทานไม่มีวิปัสนาอันนี้แยกได้ยหมที่หลวงพ่อพูดนี้นั่งนะคืน้องห้ดูสัญญ่านสิคือก็รู้สึกนะวาจะได้รับควรู้เฉยๆเรานั่งให้หลวงพ่อดูสินั่งให้เหมือนที่เคยนั่งจริงๆลืมหลวงพ่อไปนะไม่ต้องสนใจหลวงพ่อนั่งอย่างที่เคยทามีเคล็ดลับนิดนึงนะปรับนิดนึงเมื่อกี้ใจเริ่มตึงแะ I, วเวลาทำอนาปนสตินะหลวงพ่อแนะนำนะหายใจออกก่อนอย่าหายใจเข้าก่อนถ้าหายใจเข้าก่อนแล้วใจจะแข็งแข็งถ้าหายใจออกก่อนนะใจจะผ่อนคลายทเทคนิคนี้เรียนมาจากการทำอนาปนสติยี่สิบสองปีตั้งแต่เจ็ดขวบรู้สึกไหม ใ, หใจเราแปงไปแปงมาให้รู้ว่าใจแปรไปแปรมาคือทำอนาปนสติแล้วจะมุ่งไปสู่ฌานเนี้ไม่สำเร็จ ใจชอบคิดเพราะฉะนั้นเราอาศัยการรู้ลมหายใจเป็นพื้นฐานเป็นแบ็กกราวน์เท่านั้นนะแล้วก็ค่อยรู้ทันใจเองรู้สึกไหมพงศ์คีใจเป็นตายสายตัดให้รู้ทันใจที่สายไปเรื่อยๆพงศ์คก็จะสายสักพักหนึงน่งหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดไม่ใช่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรนะให้แค่รู้ว่ามันหนีไปคิดคิดเรื่องอะไรเป็นอารมณ์ปัญญัาเป็นสมมุติปัญญัติไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้ารู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยจะทำให้ปัสนาได้เอร็แล้วรู้สึกไหมตอวที่ขยับตั ว, ตวเือเบรู้ารูสมะคะจะทาบรืองธระต่างๆอย่างไ้ม่ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนื้ยถ้ารู้แล้วเกิดสงสัยว่าให้รู้หรือไม่รู้นะรู้ถูกหรือไม่ถูกนะให้รู้สภาวะปัิจบันไปเลยคือกำลังสงสัย่ สถานะที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตทั้งหมดแล้วจบไปแล้วไปหลงใตรควนในอดีตแลิ้งมันไปเลยรู้ถูกหรือรู้ผิดไม่สําคัญนะเรารู้โลงปัจจุบันกันเดี๋ยวมันกลุเองมีปีกิดแล้วทราบไหมเห็นไหมใจเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อนิดเดียวมองหน้าหลวงพ่อนหน่อยนึฟังนิดหนึ่งแล้วก็หนีปีกิดต่อไปนี้นะใจวิ่งไป ฟ, ฟังก็รู้ใจวิ่งไปคิด ก, ก็รู้ใจวิ่งไปคิดอีกละรู้สึกไหมเนี่ยให้คอยรู้อย่างนี้นะ แลวทุกวันก็นั่งหายใจแตอย่าเลิกหายใจนะหายใจเรื่อยๆหายใจไปแล้วก็ไปรู้ท่านใจที่มันทํางานต้องซ้อมนะทุกวันซ้อมไว้อย่างเนี้ยก่อนนอนไหว้พระ ส, สวดมนต์หรือตื่นนอนมาไหว้พระ ส, สวดมนต์ทำสมาธิหายใจรู้รู้ใจที่เปลี่ยนได้ไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจเป็นนิ่งๆก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดในชีวิตประจำวันเพราะเราการหัด ดูอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทาให้จิตจําสภาวะได้แม่นเสร็จแล้วสติจะเกิดเอง mm hmm. เดี๋ยวนะผมขอขอโทษนะเบอร์สิบเอ็ดหลงแนละ้วส mm hmm. องคนเนี่ยหันไปดูเขาเราหันไปดูเขาแล้วหลงรู้สึกไหมเราไปดูเขาเราลึงตัวเราเองเนี่ยห mm hmm. นี้ิจิตรแล้วรู้สึกไหมอ mm hmm. ็ตื่นเต้นได้รู้ว่าตื่นเต้นไปรู้โลกปัจจุบันไปได้เนี เอาให้คุยได้แล้วหะไรอกไม่เป็นลไรเหรอกเดี๋ยวเอาซีดีไปฟังเราที่สำคัญคือหัดรู้สภาวะนะหัดรู้ไปกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องเรียนว่าเมื่อไหร่จะปฏิบัติยังไงจะถูกปฏิบัติยังไงจะดีไม่ต้องเป็นนึกถึงมันหรอกลืมคำว่าปฏิบัติไปแช่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 เรียนสภาวะอย่างเดียวก็พอแล้วให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดถ้ารู้จักจิตที่หลงคิดนี่นะปฏิบัติได้แล้วถ้าจิตที่หลงคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดเลยตอนนี้จิตสงสัยทราบไหมจิตมีความสงสัยเกิดขึ้นมองเห็นไหมไม่เห็นไม่ดูหนิมือแต่คิดมันก็ไม่เห็นสิไม่เป็นไรเด็กก็หลวงพ่อจิต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 การส่งก็ลืมตอนมองหน้าเขาก็ลืมเห็ลืมตัวเองอย่างนี้เรียกว่าหลงนะเรียกว่าขาดสตินี่ใจลอยหาหลวงพ่อทําไ ม, ไมอืมอืมไม่ต้องเข้าใจออกมือธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฝังมี่หลวงพ่อพูดซื่อๆเลยฉันไม่มีใครรู้ธรรมะด้วยการฝังธรรมารู้ได้ดวิธีดดเดียวก็คือเข้าไปถึงของจริงของจริงคือกายกับใจเราเนี่ย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 เมืしし่อไปถึงที่ทํางานหรือที่เรียนหนังสือดีใจเจอเพื่อนคุยกันสนุกสนุกไปเ๋ยอเดียอมันขัดคอติเป็นโมโหใจเราจะเปลี่ยนนี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเราค่อยรู้ไปด้วยขณะนี้จิตใจเรารู้สึกอย่างไงรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภโกรธหลงสศกไก่โมโหอิจฉาควารู้สึกอะไรกําลังเกิดในใจเราก็ดูไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นในใจของเราที่เปลี่ยนแปลงทั้งวัน ดูเพื่อให้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ดูเพื่อให้นิ่งนะยังไม่เชื่ใจอาจจะคิดสั้นไหมก่อนจะขยับหน้าไม่นันได้ไหเนี่ยเหลออีกแล้วรู้สึกไหมตอนที่ขยับเท้าเนี่ยเหมือนจะหายไปจากโลกชั่วขนะพื่ไป็ลไงงแล้วงงเอไว้ก่อนมาทีแรกก็งงอย่างนี้แหละปกติจะต้องเรียนสองาครั้งถึงจะรู้เรื่อง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 อย่าอยากให้ตั้งมัน่นอย่าอยากให้ดนะีรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ไปได้เลยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ตั้งมัน่นก็เรื่องของมันใจถึงงนั้นง่ายดีลรนะมีนาเต็มตัวนะจิตเจ่างกายีดีดนะีดีสีดดีดีดีดีดีดีด เช่นเราอยากสงบมันชอบหนีไปคิดเรื่ลอลำพันธุ์ราคาก็เป็นรูปของโมหะต้องหลงก่อนลงไปคิดๆนะหลงไปดีแล้วจิตรู้อย่างที่เขเป็นไปเรื่อยๆหนูนานบางเลตอนนี้กับเมื่อเช้าต่างกันไหมตอนนี้รู้สึกกได้นขึ้นเมื่อเช้าึงมากเือา ถูกเธอแล้วเธอแล้วเธอแล้วรู้สึกไหมที่กำลังพูดเนี่ยเข้าขั้นเธอดูนาดูอบบไหมมันชัดไปแล้วจะไปเรื่อยแล้วเออให้รู้นะติดเคลื่อนลอยละไม่ได้รู้สภาวะไปดีแล้วคุณแม่สอนให้ดีแล้วค like ุณแม่มาราเกินเป็นไงคุยไรคุยกันบ้างนานๆไรเยี่ยมจริง อารยี่คะไดีแสดงตงเกมองมองข้าาข้าสาที่เลี้ยงมาตื่นเ้นืเเกิดตเยนักตื่น้นมันธรราใครรู้ทันเลยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดพอคิดนะก็เกิดสุขเกิดทุ๊ข์เกิดคือสนหน้าคู่อน ถ้าไม่หลงไปคิดนะก็ไม่เกิดกุศหนักทุศลอะไรอาศัยการหลงหลงไปคิดเนี่ยแหละความหลงเกิดขึ้นก่อนราคะโทกศาก็เลยเกิดุมรามองเห็นไหมมันทํางานของมันเองนั่นแหละดูอย่างนี้นนะเห็นไหมมันทํางานทั้งวันทั้งคืนการที่เราเห็นว่ามันทํางานทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมันแสดงอนิจจังให้ดูเวทีย์การที่เราเห็นว่ามันทํางานได้เองนั่นแหละมันแสดงอนัตตาให้ มันหนึ่งใจมันจะยอมรับนะเวลาที่ใจยอมรับมันจะรวมข้ออัปนาสมาธิรวมเองเลยแล้วมันจะเกิดการตัดสั่งยชดขึ้นมาลัดจากนั้นเวลาเราดูลงมาในกายในใจจะไม่เห็นตัวเราจะว่างกปล่าแล้วก็เฝ้ารู้กายหรือ ใ, ใจต่อไปอย่างที่มันวางกายได้หมดความรักในกายบมดความรักในรูปเสี่ยนกลินรสกมดสัมผ เมื่อมันไม่รักในรูปเสียงกลินาา่นรสสัตว้ามันก็จะไม่ชังในรูปเสียงกลินาา่นรสสัตว์าความรักความชังก็ดับไปรอบๆกันแล้วเราพอเฝ้ารู้อยู่ที่จิตต่อไปอีกจนจิตมันเห็นจิตแก่นแท้บางคนเห็นว่าไม่เที่ยงบางคนเห็นปุ๊กนะบางคนเห็นว่าเป็นอ น, นัตตาระหว่างเมื่อไร่จิตวางจิตจิตปล่อยวางจิตได้นะี่แหละที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นเองก็ตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ ตัวขันนี้แหลตัวทุกข์ถ้าเรายังเห็นว่าขันนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจะไม่วา่าแต่จะดิ้นรนหาความสุขิ้นรนหนีความทุกข์แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่อยจนมันนึงเราเห็นขันนี้ตัวทุกข์ล้วนๆเลยเสยพระจิตนี้ตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆได้แนละ้วจะขาดสะบพานตรงนั้นนะเล ย, ยนี่ดี นั่นแหละดีแล้วนะที่ไปหวงคุณธรรมราแนะ้วห่วงว่าจะไปติดไอ้ภพอันนี้แหละเพราะว่าลูกหลานมันยุ่งมากพอเราเหนื่อยนะเราไม่อยากคุยกับมันอ่ะแต่ไม่กล้าไล่มันสงสารมันตาแแลวแล้วก็หลบเข้าปลงมันโลกเนนายก็่ํำเนือ้อทาเป็นฟังฟังไว้แ <c oughs> <c oughs> ในใจเราเข้าไปค้างไว้แห่ไหน วิชาจริๆนตัวรากตัวเง้าของปัญหาทั้งหมดเลยควิชาคือความไม่รู้อริยสัจความไม่รู้อริยสัจข้อแรกเลยความไม่รู้ทุกข์คือเราไม่เห็นบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เราเห็นว่าขันห้าอย่างกายเนี่ยกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างการที่เราเห็นอย่างเนี้ยเห็นด้วยเอาวิชาแต่ถ้าเราตามรู้กายเนื้อเนื้อมาเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิตนี้ทุบร้อนๆ้นมันทํางานหนักทั้งวันทั้งคืนมันพุ๊กนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นพุ๊กมันทํางานทั้งวันทั้งคืนมันจะสุขได้ยังไงไม่เคยได้พักผ่อนเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่มันทํางานของมันเองมันทนอยู่ในภาวะอะไหนึ่งไม่ได้จับอันนี้เดี๋ยวหนีไปนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเราถ้าพอเราเห็นความจริงกระทั่งว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยแล้วก็หมดความยึดถือในตัวมันได้ อวิชาหรือว่าเราเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วขันท่านี้ไม่ใช่เราอขันท่านี้เป็นตัวทุกข์นอกจากเป็นตัวทุกข์แล้วขันท่ายังเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยพอเราวางขั น, นท่าโดยเฉพาะวางจิตบางจิตนี้จะเป็นขันตัวสุดท้ายที่จะปล่อยได้แนะจะหวงที่สุดคือจิตพอวางจิตได้เนี่ยก็เท่ากับระวางข้อทุกข์ลงไปแล้วต้วางที่ตั้งของความทุกข์ลงไปด้วยอันนี้จิตจะเป็นอิสร ะ, ล ะ, ละมีความสุขล้วนๆนะ ดีก้าตุกจะเินุกปลงนี้มด้ารเรมี่าทนไได้ขึ้นมาน่าจะดีใครรู้มใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราก็ไม่ตั้งมั่น เกิดใครแผ่งมาจิตไม่มีเรื่องมีแรงให้รู้สภาวะบ่อยๆต้องซ้อมนะทุกวันต้องแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบจำเป็นนะ่างคนคิดจะเจริญสติในชีวิตประจาวันรวดไปเลยไม่ค่อยมีแรงพอหรอกเพราะั้นต้องมีรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมอย่าง ต, ตอนเย็นๆค่าๆไว้พระสวดวมนต์ทาสมาธิเดินจงกรมวันไหนใจฟุ้งมากไม่มีเรื่อมีแรงทาสมถะ ให้ใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขมีกำลังขึ้นมาวันไหนมีกำลังดีอยู่แล้วไหว้พระส่วนมนต์ทำสมาธิเรียนจงกรมหัดดูสภาวะกาที่เราหัดดูสภาวะบ่อยๆมันจะทำให้จิตจำสภาวะแม่นและสติเกิดเร็วเหมือนนักมวยต้องซ้อมชกชกลมชกกระสอบอะไรต้องชกทุกวันวันไหนไม่ชกนะอีกวันหนึ่งชักฝืดๆแล้วชกไม่ออกนักปฏิบัติก็เหมือนกันต้องซ้อม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 คือว่าอันนี้เป็นวิหาราธารรมมันก็มีสองแบบแบบหนึ่งให้ใจเราเนี่ยไม่หนีไปที่อื่นน้อมใจให้ไปเกาะไว้ไที่เดียวอันนี้จะได้สมสะอีกอันหนึ่งเราตั้งขึ้นมาตั้งอารมณ์ไว้เนี่ยแล้วเรารู้ทันจิตจิตไหลไปที่อารมณ์ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้เราต้องการรู้ทันจิตทีนนี้เป็นแค่ตัวตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นเครื่องชี้อะไรว่าจิตมันขยับเ ย, ยื่นไปยังไ อย่างนี้เป็นการฝึกซ้อมอยู่สภาวะาวใช่สร้างเป้าหลอกไว้อย่าไปโลงเกาะเป้านี้รูปเดียวเลยนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยไปกาะเป้านิ่งๆเกือบทั้งหมดลุกสํานักเลยแต่ทั้งํานักที่บอกว่าทํำวิปัสสนาล้วนๆนะถ้าดูจิตเป็นนะจะรู้เลยติดสมถะแ้่ทั้งสํานักนักส่งต่อ <Okay. S 1> ดีแล้วนี่ เพราะว่าความจริงก็คือจิตใจทํางานทั้งวันการที่เราเห็นว่ามันทํางานทั้งวันมันไม่เที่ยงหรือเปลเพี่ยงรู้สึกไหมมันทําเองทําได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ย น, ปนแปลงทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถึงคึนหนึ่งใจมันจะยอมรับความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันทํางานได้เองถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราได้พระโสดาบัน ไม่มีอะไรเป็นเราเลยในโลกนี้มีแต่ทันท้าเขาทำงานของเขาเองดีแล้วดีแล้วไ ม, ไม่ได้ดีอีกแล้ ว, ลวเออเราจะติกไซ้ายติกขวาเรารู้หมดเลยเป็นธรรมดานะสติเรามีกำลังมากาาก็นั่งไม่เลิกสมาธิก็ไม่ทิ้ง หลายคนนะไปบอกว่าจะไม่เอาสมถะไม่เอาสมถะไม่ได้นะเพราะพพุทธเจ้าสอนบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาแต่ว่าต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเวลานี้ควรทําสมถะก็ทําเวลานี้ควรทําวิปัสสนาก็ทําไม่ใช่ปฏิเสธสมถะหรือเอาวิปัสสนาอย่างเดียว อีกพวกหนึ่งจะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวแล้วคิดว่ามันจะเกิดวิปัสสนาเองรู้สุดโต่งอยู่สองข้างนะไม่เป็นหรอกทําสมาธิแล้วไม่ได้เกิดวิปัสสนาเองเหตุของสมาธิกับเหตุของวิปัสสนาคนละอันกันใช่รู้สึกไหมชีมวิตมีความสุขมากขึ้นแต่มองอีกมุมหนึ่งรู้สึกไหมโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้วนเเเออเยย่นนั้ก็ไไดออลลวมปปี เห็นโลกทั้งโลกนี่แหละกะเพิ่มไหวอยู่อย่างดีแลวดีละตอนนายอยู่ใจถูกต้องดีงามอะนับตรงตอ่อไปอไน่นฝือทุ่ยงั้นรู้สึกไหมจิตจิตเราฟุ้งไปนะตานที่จะเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยลืมไปเลยลงไปใช่ไเกใชไหมจิตเราขนาดนี้มีโมหะนิดนิดดูอบไป ม, มีความมัว ิตมีโมหะแทกอยู่แล้วก็รู้ทันได้หาดรู้สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปล้าไปอะไรแปลกหลอกประมานี้หนึ่งมองเห็นหมดเลยจิตก็ไม่ถูกหลอกไม่ถูกย้อมเป็นอิสระนะอะไรละไม่มากหรืน้อยแต่น้อยกว่าคุณผู้หญิง มีชื่อนเคยยอแลวทปาที่ขาวที่เป็นรองผู้ช่วยผ่ัดกายศึกษาชื่อวินอะไรนนมีมูตุอะไรนะปีมเราไม่สนใจคาว่าเจริญหรือคาว่าเสื่อมนะคาว่าเจริญหรือเสื่อมเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตใหญ่แต่เดิมสติเกิด่อยตอนนี้สถิตเกิดน้อยเราบอกว่าเสื่อมหรือปีมูตุ เมื่อก่อนสติไม่ค่อยเกิดเดี๋ยวนี้เกิดบ่อยระบบมีมึนขึ้นนี้เกิดจากการเจ็บ เ, เทียบเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจเรื่องคําว่าเจริญหรือคำว่เ า, าเสือ่อมเราสนใจแต่คำว่ า, าเกิดกระดับเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับช่วงนี้กุศลเกิดบ่อยกุศลก็ดับบ่อยช่วงนี้อากกุศลเกิดบ่อยอ้ากกุศลก็ดับบ่อยเสมอภาคกันนะเพราะการปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งเอาดี ตรงนี้ไม่ค่อยดีเลยกิเลสเยอะเราเรียก ว, ว่าเสือ่อมเราไม่ได้มุ่งเอาดีเรามุ่งเอาความจริงจิตที่ดีทุกดวงเลยเกิดระดับจิตที่แย่ทุกดวงเกิดระดับเรียนเพ่ให้เห็นตรงนี้แล้วไม่มีคําว่าเจะเกิดจะเสือ่อมอ่าเบอร์หกจุดห้าบังคับใจอยู่หน่อยหน่อยรู้สึกไหมยังบังคับอยู่รว้สึกไหมใจทื่อ ให้รู้ฐันนะลองโลปัจจุ บ, บันกันตอ น, น่ปตนดอยานงนี้หรืออะไรช่วงนี้ไม่เป็นไรแต่เดิมโทรศาท์เ์ก็เกิดบ่อยแต่มองไม่เห็นหลายคนปฏิบัตินะบอกว่าก่อนจะมาหาหลวงพ่อนะไม่ค่อยมีกิเลสแต่พอมาเรียนกับหลวงพ่อแนละ้วกิเลสยิบๆเลยนะทั้งวันเลย ว่าคนมาต่อว่านะฮะว่าเราสอนกรรมาฐานทําให้เกิดกิเลสมันคล้ายๆคนไข้นะเป็นมะเร็งไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งพอหมอไปตรวจเจอแล้วมันโทษว่าเป็นมะเร็งก็หมอตรวจเจอเนี่ยเวลาจิตที่มันไม่เคยมีสติมันมองตัวเองไม่ออกมันเห็นแต่ว่าตัวเองเป็นคนดีแต่พอเรามีสติเราจะรู้เลยนางมารร้ายอยู่ที่นี่เองนางมารร้ายอันดับหนึ่งอยู่ที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โมโห คนไหนที่โลก้วก็เป็นนางมารร้ายสายโลกเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันดีแล้วที่เป็นกิเลสเป็นกิเลสดีกว่าเป็นเทวดานะถ้าส่งต่อไปดีที่หนูเบื่อไอที่อไหนคนเดียวใช่ไหมแต่เขาหลุดไปเลยไปที่อืบที่ ยี่หกคนเจ้าบัวที่มาถามทุกคนที่เด็ดชันแต่เข้าปีเกิดศิษงค่เศรษฐนแต่ามมาผผมไปเข้าจิตอีกวันหนึ่งก็จะีิาานีนี่ยเดามมาเพาวิธีที่เกิดศิษที่้นไดี ทางใจทางมันเนะชื่อหลวงพ่ออย่างหนึ่งนะไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดหรอกกรรมฐานไม่มีสำเร็จรูปนะทางใจทางมันนี่มันอยู่ที่ว่าจริตนิสัยของเราเหมาะ ก, กับกรรมฐานชนิดไหนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปศึกษาธรรมะเนี่ยเราต้องวิเคห์ตัวเองก่อนอย่างคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อที่มีทุกแบบเลยนะมีตั้งแต่หัดสมถะ ออกจากสมาธามาพิจาะะรณายก็มีนะดูกายบางคนก็ดูจิตสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าจริตนิสัยของเราเป็นยังไงแล้วเราก็ฝึกกรรมฐานให้เหมาะกับตัวเราเองเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเพราะว่าตามเพื่อนหรือฝึกกรรมฐานเพราะว่านับถืออาจารย์นี้ถ้าทางน่านับถือถ้าอย่างนั้นมันก็คล้ายๆกับเราไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งก่อน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 จิตใจของเราเป็นพวกตัณหาจริตหรือเป็นพวกทิฏฐิจริตจริตในการทํำนิพพสนามีสองจริตคือตัณหาจริตและทิฏฐิจริตพวกเราไม่ค่อยได้ยินอแบบนี้เราได้ยินแต่ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตนี้เคยได้ยินไหมมิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตปกจริตนี้เอาไว้ทําสมถะในเรื่องอารมณ์ทําสมถะแต่จริตที่ใช้ทํำนิพพสนานะเรื่องอารมณ์นิพพานมีสอง ตันหาจริตคือคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ควรที่จะดูกายและเวทนาพวกพิถีจริตพวกคิดมากชอบวิภาควิจารวิจัยวิเคราะห์ชอบถกเถียงเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นเจ้ารักที่เจ้ามุดงการส่วนใหญ่พวกคนเมืองพวกปัญญชนทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้ยศวันๆนั้นคิดทั้งวัน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 จะสังเกตไหมพวกเราที่ไปเรียนสมถานรูปกายเราไม่เริ่มจากสมถะอยู่ๆเราก็จะกําหนดรูปนามเลยเพรฉะนั้นจิตจะไม่มีกําลังตั้งมั่นไม่สามารถเป็นผู้รู้ผู้ดูกายได้จิตมีแต่จะถลำมันเข้าไปเพ่งอยู่ที่กายไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่กายปัญญาจะไม่เกิดจะไปเกาะนิ่งๆเฉยๆเครียดหนัก ๆ, นกๆนกนกแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆอยู่อย่างไร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 จิตขอเราเวลากําหนดลงไปจะซื้อชื้อสุมสุมนิ่งนิ่งแล้วเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะเราไม่รู้รักจักลักษณะของจิตเนียเราจะไปหลงสร้างหนกักกุศลจิตขึ้นมานี่ทายังไงถ้าเราจะหัดรู้กายได้ชั่ง น, นิกมานาเกิดจริตเราเป็นพวกตันหาจริตเราต้องทาความสงบขึ้นมา ก, ก่อนทำความสงบเช่นเราหัดรู้ลมหายใจไปแล้วก็สังเกต ร่างกายที่หายใจนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนรู้คนดูร่างกายนี่หายใจในที่สุดเราจะแยกได้จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเลยรูปที่พองรูปที่ยุกนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตจะไม่ไหลไปเกาะอยู่ในฟองนะจิตจะดูอยู่ห่างๆจะเห็นเลยรูปที่ยืนเดินั่งนอนรูปที่ยกรูปที่ย่างรูปที่เหยียบ ว่าแต่เป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดจิตกับกายจะแยกกั น, นจะเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้กายมันนั่งใจเป็นคนรู้กายมันยืนกายมันนอนใจเป็นคนรู้มันมีการแยกกายกับแยกใจออกจากกันแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิหนุนหลังคอเนะมันจะไม่แยกกายแยกใจจิตมันจะไหลไป็วงเดียที่กายอย่างเดียวมันจะกลายเป็การเพ่งกายไม่สามารถทํำวิปัสสนาได้จริงจิงเพราะฉะนั้นการทำ วิปั ส, สนาด้วยการรู้กายไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องทาสมาธิหน่อยให้ใจตั้งมั่นแต่ถ้าจะทําวิปั ส, สนาดูจิตอันนี้เหมาะกับพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยทาสมาธิไม่สาเร็จหรอกอย่างส่วนใหญ่ในห้องนี้ทําสมาธิไม่ได้ยกเว้นพวกชาวเชียงใหม่นี่นะสมาธิเก่งส่วนใหญ่จะทําทสมาธิไม่ได้ใจมันจะฟุ้งต้านไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเข้าไปเลย ดูจิตใจไดจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบจิตเป็นสุขรู้ว่าสุขจิตเป็นทุกข์รู้ว่าทุกข์นะจิตโลภรู้ว่าโลภจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงทันดูไปเรื่อยๆถ้าเราไปทํำสมถะก่อนก็ไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูมีแต่จิตสงบไม่มีจิตที่มีราคะมีแต่จิตที่ไม่มีราคาเะฉะนถ้าเราทําสมถะก่อนเราจะดูจิตได้ไม่ดีแต่เราต้องดูไปเลยนะ และสมาธิเกิดทีหลังอันนี้เป็นปัญญานำสมาธิคือเส้นทางเดินมันเลยมีสองตาสายหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาอันเนี้ยทำสมาธิจนใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมาดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเหียวซ้ายแลกขวาเพราะว่าแต่เป็นรูปไม่ใช่ตัวเราอีกพวกหนึ่ง เป็นพวกที่ติดริตให้ดูจิตก็ไปเลยเห็นในจิตนี้เดียเด๋ยวสุข<ๆ>เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี<ๆ>๋ยวร้ายดูไปเรื<ๆ>่อยๆทั้งวันแล้วใจอยากตั้งมั่นขึ้นมาเองเรื่ทางเดินมีสงสายนะไม่ใช่ว่าสายใดดีกว่าสายใดนะแต่ละคนมีทางเฉพาะ ต, ตัวเองไม่ใช่ดูจิตแล้วดีนะดูจิตแล้วดีสําหรับพวกคิดมากดูกายก็ไม่ใช่ดีเสมอไปดูกายดีกับพวกโลภมากพวกรักสุข ร, รักสบาย รับกสวยรักงามเบอร์ห้าตอนส่งไมค์ให้เพื่อนลืมไปแล้วรู้สึกไหมคือคุณลองปับนิดนึงนะเมื่อเช้ามาทันไหย ม, มาฟัางหข้อทันไหมช่วงเช้าคหลวงพ่กปวดนิดนึงคือสติเนี่ยจริงจริงสติแปล ว, ว่าความระลึกได้สติไม่ได้แต่ว่ากําหนดสติในพระใจปิสดเนกนะแปลว่าความระลึกได้ แต่เราชอบไปกําหนดกําหนดเราไปคิดว่าการกําหนดคือสติสติถ้ากําหนดนะจะกลายเนการขี้งและสมถะถ้าสติสักว่าเรารู้ตัวอารมณ์นะจะทํำวิปัสสนาได้สมาธิก็ไม่เหมือนกันสมาธิที่จิตเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์เช่นเวลาเราดูท้องผ่องยุบแล้วจิตเข้าไปแช่ไว้ที่ท้องเวลาเราเดินตรงรมยกเท้ายั่งเ้าจิตไปแช่อยู่ที่เท้า นี่จิตแค่ในอารมณ์ที่เป็นแบบหนึ่งนะ น, นี้ลักษณะนี้ทาสมถะเป็นการเพ่งเข้าไปเกาะตัวอารมณ์สมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ตั้งแช่นะจิตตั้งมั่นหมายถึงจิตอยู่ตระหาดอารมณ์อยู่นี่จิตอยู่นี่รูปกระนามนี่ยแยกกันจิตกับ e เจตสิกนี่ยแยกกันจะเห็นแยกกันได้ถ้าอย่างนี้มันจะเห็นในรูปเคลื่อนไหวไปนามธรรมา ท, ทั้งหลายเคลื่อนไหวไปจิตใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอตระหัด แลจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแยกอยู่ต่างหาเนี่ยตั้งมั่นอยู่ต่างหากเรียกว่ามันมีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ตั้งแช่ก็เลยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตตึงต้านลัวไหมจิตไหลมียอะไปหนีไปนอกห้องเรียนยใจไหลแวบอบีกแวหนึ่งทราบไหมให้ค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะรู้สภาวะไะเปเรื่อยอะเปิด์สาม ก็เออคืออ่านงานเียพ่อที่เป็นความจริงได้แล้วก็เลยอยาก่าเป่นแบบก็เลยเลยมาเล็นก็ไม่ไม่ได้โัลโล่นก็ที่เวลาอยู่อแ่ยืมไม่รีบนะแต่ว่าจะไม่ใช่ว่าไม่เริ่มนะ แต่ต้เริ่มตามรู้กายตามรู้ใจองไปเลยเพราะอไรเพราะว่าการที่เราคอยรู้ใจรู้ใจเรามีสติเนี้ต้องมีความสุขในทันขนาดนี้เลยเรื่องอะไรเราต้องฝัดหวันประศั่นชู่เพื่อไปรอเอาความสุขในอนาคตเราหัดมีสติอย่างนี้เรามีความสุขอย่างนี้เลยแล้วสติปัญญาเนี่ยต้องใช้เวลาบ่มค่อยๆพัฒนามันเล่าเอากุนแจต้องใช้เวลาบ่มนานๆหน่อยถึงจะหอบปาก ไม่ได้่ยกินเหล้านะหลวงพอเอ่านหนังสือมาซะจังจริไม่เคยกินเหล้าเลยไม่ชอบกินเหล้าห้าเ์แสิบเซนข้มรัก็อามรู้สนเออมาฟังไปก่อนน่าสงไปหลวงอชอบมากเลยคนไม่ไม่คุยกับหลวงพ่อเยอะเหลือกนอ่เล็กคือทำอะไรที่เิา ที่เราอิจาคอื่นเพราว่าคนอื่นที่ทำอะไรที่เราเห็นเนี่ยพราะว่าคนอ่นที่ทำาเกิดในที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่านอื่ี่ทราปกให้เราเห็นเี่ราสามารถรู้ได กำหนดที่ทำเกิดตลอดได้มครัไม่ต้องกําหนดนะทําเกิดตลอดดีแล้วแต่จริงแล้วธรรมะเนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะไม่ได้เคยหยุดเลยธรรมะแสดงอยู่ที่กายกับใจอย่างธรรมะถ้าเราดูจิตเนี่ยธรรมะก็แสดงอยู่ที่จิตคือมันแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงร้ายเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์เดี๋ยวปรุงความเฉยๆยความว่างว่าหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป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 ขนาดนี้แข็งแข็งอยู่หน่อยหนึ่งดูออกไหมยังบังคับไว้อย่าบังคับไว้แค่รู้นะไม่ห้ามมันหรอกอย่าไปจงใจมากไปตั้งใจเยอะไปก็ไม่ได้นะปฏิบัติตั้งใจเยอะไปกลายเป็นโลคไปอยากรู้เยอะๆอยากรู้ตลอดอะไรเงี้ยไม่ดีรู้เท่าที่รู้ได้รู้สบายๆผ่อนลงกั่นี้นิดหนึ่งทาให้สบายกว่านี้นีกนดนึ่ แข็งไปมีอะไรไหมไม่มีไม่มีสมอบแต่ยังแข่งเท่าเดิมเลยเเทุกดลอลกัน้ะจะวจอวพ่อพูดะนะีแล้วนาแต่ว่าฟังอตาตมาพูดเนี่ยมันก็เป็นธรรมะของอตาตมาฟังเพื่อจะได้รู้วิธีที่จะไปดูธรรมะในใจของเราเอง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 ธรรมะทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยก็ อ, อะไรเพระธรรมะที่เราเห็นในช่วงนี้ยเป็นธรรมะที่เป็นใสสังขารธรรมเป็นสังขารธรรมยังไม่ใช่วิสังขารธรรมดัน้นเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงดูความเคลื่อนไหวโยมมานั่งอยู่ชั่วโมงกว่าๆโยมรู้สึกไหมจิตใจของเราเนี่ยทํางานตลอดเวลาโยมรู้สึกไหม <c oughs> นั่นแหละดีนะนั่นแหละธรรมะของจริงของโยมเฉพาะตัวของโยมเองนะ แล้วจิตใจของเราเคลื่อนไหวจิตใจเราเปลี่ยนแปลงยมรู้สึกไหมเดี๋ยวมันก็ฟังเดี๋ยวมันก็คิดยมรู้สึกไหมจิตจะฟังหรือจิตจะคิดยมก็เลือกไม่ได้มันทํางานเองนะเราจะดูไปได้จนเรารู้เลยเพราะว่ามันทํางานได้เองไม่มีตัวเราเยหลังทางานได้เองล้วนๆเลยหัดรู้หัดูบ่อยๆโมงวันนี้หลวงพ่อเก็บได้บทสลาแล้วเปานปรากฏการใหม่ ว่นลื่นไม่ไหวอะ ไ, ไะติดหลังห้องเนี่วยวนนี้พ็